ตอนนี้เราเข้าพรรษาสองอาทิตย์แล้วสองวันพระแต่เป็นช่วงสองวันพระที่ทำให้เราสำหรับคนที่มีสถาน้อยอยู่แล้วมันก็ยังสับสนข่าวข่าวล่าสดุด แจ้งข่าวให้พวกเราทราบล่าสุดที่มหาดรัชสมาคมหลังประครงสร้างเรื่องงินเหรียหมากเรื่องเงินทองสร็จว่าคือเอาชาวบ้านมาคุมกั้นเอาเข้าไปคือเสนอความคิด แล้คนที่อยู่ข้างนอกก็เสนอกันเข้ามาต้องคิดโดวยงบก็คือนักกฎหมายนักกฎหมายก็เสนอว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วขออกฎหมายให้พระมีเมียซะเลยไม่รู้เอาสมองในสมองมันเป็นสมองอะไรก็ไม่รู้ แสดว่าเขาไม่เข้าใจศีลธรรมความพื้นฐานศีลธรรมไม่เข้าใจในาคาถิงไฟไปว่าเขาก็ไม่ได้ไปสมณะพระเนนเราธรรมดาที่ไหนแต่เราองค์ปทอเก้าศาสตราจารย์ด็อกเตอร์มันเป็นดับกกันหมดแล้ว ผมคิดมันกลายเป็นดัหมดเลยอันนี้เขาเรียกเราได้คนคนเก่งหาว่าเก่งไม่เก่งแต่คนเก่งแล้วมันไม่ดีอ่ะเาจะเอามาทำไมการต่อต่อจากนี้ไปเวลาสอนลกูกสอนหลานสอนให้ครอบ อยากไปสอนให้เป็นคนเก่งเรียนดีก็คือปัญญาดีจริงๆไม่มีปัญญาพูดอยู่เสมอเป็นสัญญาอันนี้ปัญญาเป็นคนเก่งเนี่ยไม่พอมันต้องเป็นคนดีด้วยถ้าคนดีจะเอาอะไรไปสอนเขาถ้าไม่ใช่ศีลธรรมควา<ะ>มที่เป็นคนเก่ง แต่ไม่ใช่คนดีมันก็เอาความเก่งของต น, นไปเบียดเบียนคนอื่นเขาเอาสติปัญญาที่ตัวเองมีเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ต้องออย่างนี้ไม่ควรจะเป็นเพราะของคนนี้มันต้องสอนตั้งแต่เด็กขนาดโตเป็นควายแล้วมันยังไม่รู้จักอะไร มันก็ลำบากเพราะนั้นเขาจะตั้งคณนะกรรมาการขึ้นมาตั้งแต่ระดับบนจะถึงระดับล่างกระทรวงทบวงกรมนักกฎหมายไ อ, าอยาการทหารตำรวจมาหมดที่มาดูแลปะมาแค่มาดูแลความปลอดภัยมาดูแลความประพฤต โอ้พระเอามาขนาดนั้นเลยมือทั้งตำรวจทั้งทาหารอายการศาลมาหมดเริ่มต้นจากอันดับแรกพ น, นักงานตุลาเรื่องเงินทองของวัดข้อวัดไหนเขาเดือนหนึ่งใ้เก็บเงินสดเกินหนึ่งแสนบาท อย่างวัดเราก่อสร้างนู่นมันทำได้ไหมค่านา้มค่าไฟเท่าไหร่เขาเคยถามไหมรับพระไปไหนมาไหนท่านเดินทุ ด, ดงไปไหมพระเจ็บไข้ไม่สบายเนี่ยนไม่ใช่ทุกทุกนะหายใจยาวาพออยายาหน่อ เพื่อนุราใช้คนบริธิเราก็บริจาคเขาพระเดนอื่นอื่นเนี่ยถ้าจะดูแลก็ขอให้ดูแลทั่วถึงกันจริงๆพระบนดอยท่านมีค่าใช้ใจนะ่ายหลงมาข้างล่างเทลาทีมีค่าใช้ใจนะ่ายหบจะดูแลเงินของพระ พี่ก็ให้ด้วยศรัทาแเราก็แ ย, ยกออกเงินส่วนตัวเงินส่วนตนแล้วก็ต้นทางปลายทางว่าพระโอเงินให้สาม0มืนบาทโอนให้ใครค่าอะไรมันจะไปกันใหญ่แนละ้วถ้าประเทศไทยแล้วก็บอกสิทธิส่วนตัวท่านจะสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ ท่านก็จำเป็นต้องใช้เช่นวันเกิดวันตายสมบุญอย่างๆงยของคูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ได้ไปมือเปล่านะก็จะเอาอะไรไปคือ่าต้องพระนันไม่ต้องทำบุญเลยหรือเปล่าเรามาให้พระเสนอบ้างเลยว่าพระเสนอเราช่วยกันเสนอว่าคน ที่จะมาควบคุมกำกับดูแลพระนี่นช่วยกรุณาบวชคนละสามเดือนได้ไหมไม่ต้องมากขับวชสามเดือนแล้วก็อยู่เปล่าเราปฏิบัติธรรมตามหลักพระธรรมวินัยเอาวินัยอยา่าเคร่งครัด อย่าไปพูดถึงกฎหมายว่าดูสภาพวินัยของพระอมคขคมทั้งหมดไหมคนที่เป็นกรรมการเนี่ยต้องผ่านผ่านการบวและก็ปฏิบัติด้วยนะไม่ใช่บวชเฉยๆนะไม่ใช่บวชตดใส่ผ้าเหลืองเฉยๆนะ็ะาบอกสามวันห้าวันเจ็ดวันก็ถือว่าบวชแล้วได้ไหมจะได้เข้าใจพระว่า หลักหลักคิดหลักอดหลักธรรมของพรนะนี่เป็นยังไงกฎบนโลกใบนี้มีสองกฎอันหนึ่งก็คือใช้กฎคุมคนอ้นที่สองคือคนคุมกฎกุธิเจ้าของเราใใช้กฎคุมคน ผิดทุกขชั่วดีอตัวเองรู้นี่นคือพุธิเจ้าแต่ทุกวันเราใช้คนคุมกฎถ้าถ้าคนเกิดความไม่ยุติธรรมขึ้นมาแล้ ว, วอันนี้นคือปัญห า, าคนที่คุมกฎยังมันยุติธรรมไหมตาที่เป็นๆอยู่มันไม่ได้มีความยุติธรรม มันก็เลยกลาเป็นที่มาแต่เหตุการณ์หรือกำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็ลองดูสิว่าแต่มันไม่แปลกหรอกเพราะว่าพระราจำอยากพระสงฆ์ปัจจุบันพศสองพ้าห้าก็เกิดขึ้นโดยค่าวว่าเน่ยเกิดขึ้นจากพระนะเขาจะผิดน้นทุกวัน คือค า, วารวะประสานานแล้วก็คือตั้งยุคสมัยอเจ้าพนสริธนารัต์เป็นต้นมาโดยประมาณมันเกิดขึ้นมากว่าหกสิบกว่ า, วาปีแล้วนะต่นนี้จะมาแก้ไขเพิ่มเติมและกดระเบียบกติกาที่มีอยู่เนี่ย คำถามก็คือปรากฎที่พุทิเจ้าสร้างขึ้นมายังไม่ดีพอเลยศาสดาของเราแสดงว่าศาสดาของเรายังไม่ดีพอศาสนาอื่นแต่ต้องเขาได้ไหมว่าศาสดาเขาตัดยอะไรกันนี้เขาเบื้องบนเขา ประธานลงมาอย่างนี้แล้วแก้ไขดัดแปลงปรับปรุงได้ไหมถึงพืช น, นะาศาสนาอื่นเขาเนาะเขาปกป้องาศาสนานะแต่ของเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้ น, นก็ฝากไว้เราดูว่ า, าการนี้ไปพระจะอยู่ยังไงถ้าจะตรวจสอบกันเน ทั่วประเทศเอามาต้องอะไรมากแค่วัดใหญ่ๆ ใ, ใ, ในเชียงใหม่นะไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้วัดแหล่งท่องเที่ยวพ่านคิดว่าวันละแสนไม่ได้เลยวันละเดือนละปีละแล้วเวลารายงานเนยคิดว่า พัดเหล่านี้จะรายงานทั้งหมดไหมรายรับรายจ่ายและที่สำคัญตอนนี้คือสัมภา ร, รเข้ามาด้วยหนึ่งในนั้นคือสัมภา ร, รพราะพระได้เสียภาษีไหมอีกหนาเขายกออกกฎหมายพระต้องเสียภาษีแล้วรายได้ของพระ ก็ไม่ได้ว่าเงินเดือนไม่รู้เรเงินอะไรจังนาอำเภอเ้นพิเศษสาพันกว่าบาทเ้นพิเศษสามพันกว่าบาทจางนาจังหวัดพระธรรมดังแปดพันกว่าบาทจังนาภาคหมื่นกว่าบาทจังนาจังหวัดจอนึงเป็นองค์เดียวเอง กระทาภาคภาคหนึ่งก็แม่องค เ, เดียวเพาถือเงินเดือนเยอะก็นาำหนั้นเลยนี่เป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนในอนาคตอันนึ่งกำลังเป็นร่างเ พ, พื่อเสนอแตงตังเพื่อมาณดูแลไม่ไแน่ใจว่าต่อไปจํานวนจากคนพระจะลดลงหรือเปล่าตอนนี้เราไม่ได้ปกป้องพระกันเอง ถ้ามันไม่ถูกต้องตามทำวินัยต้องเย็นวรรมม่าทำวินัยก็เอาฝรรมม่ายทำวินัยจัดการก่อนไหมตามลำดับก็ ม, มีขั้นตอนอยู่แล้วแต่ตอนนี้ไม่ใช่เอารูปไปประจานไปทั่วหมดหรอกมันควรจะเป็นอย่างนี้ไหมหน้าสื่อก็ประจานกันหมดแต่รูปที่ดูนะมันมันมันมน่าดูตรงไห น, น หลือตามธรรมี่ไหนก็คือถ้าปาราชิกก็คือปาราชกไม่ต้องไปศึกแล้วเพราะมันไม่ได้เป็นพระแล้วจะไปศึกทำไมก็ขาดจะความเป็นพระมันไม่ได้เป็นพระจะเรียกว่าศึกอะไรความไม่เข้าใจต้องเป็นวาจาให้ศึกก่อนจะไปศึกทำไมมันขาดจะความเป็นพระแล้วขอขาดแล้วตามยอดด้วนแล้ว ในทางวินัยเป็นผ้าไม่ได้แล้วแล้วก็หลังจากคอขาดตานยัดด้วนแล้ววินัยอื่นก็ไม่มีผลเพราะเหมือนกับคารวาะาคนหนึ่งในทางวินัยส่วนขเขาป็นเรื่องกมหลายบัณฑ์เวรอีกเเรื่องหนึ่งทำให้เอาวินัยจัด ก, การมาคืยเรื่องทําเรื่องวินัยจัด ก, การ ขนักกว่านัจะอยู่ว่าพิดถูกยังไปรู้ถอดป้าเหลืองก่อนละนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเพาถ้าความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นจะ เ, เกิดอะไรขึ้นเพรานั้นเบื้องต้นเบื้องต้นวันที่ยี่สิบเก้ายี่บเก้านี้ฝ่ายคณะพระสังคกการิการะจะประชุมเรื่องเรื่องเงินทองทองก่อน เรื่องตังก็ให้ตั้งระยะวลาประากรถ้าวัดไหนยังไม่ตังประฆษณาปัจุบันอำเภอระแจ้งตั้งที่จะตั้งตั้งกี่คนก็ได้แต่ต้องเป็นผู้ชายแล้วก็การเบิกรับจ่ายตังค์ต่อไปนี้ต้องมีพระเจ้าวาดคนที่เจ้าวาดเห็นด้วยไม่จะเป็น ใครก็ตามแล้วก็หนึ่งนั้นคือวิทยาวรากรต้องเซ็นอันนี้จะเป็นกติกาเรือก็มติมอสอใหม่มติอีกหนึงคือต้องปฏิบัติมันกเหมือนกับรบเหมือน็เลยเป็นเหมือนเป็นกฎหมายที่ต้องปฏิบัติมตินี้เกิดจากมติของมอสอมอสอคือมหาจิรัสภาคมมหาจารัสมาคมก็คือ กรรมการแต่ฉันทำฉันพรมสมเด็จประชุมกันเตืนหนึ่งกับสองครั้งพวกเป็นมัญติแล้วก็พระสามแสนรูปต้องปฏิบัติตามอันนี้คือกฎอะไรเขาไม่พูดถึงพระพุทธเจ้าสักคำเลยกแต่ราเรื่องที่พูดเนี่ย พระพุทธจ้จัดว่าอย่างไรเช่นมาตุคามเรื่องผู้หญิงเ<ะ>พราะควรจะปฏิบัติตัวกับมาตุคามอย่างไรไม่พูดถึงเลยผู้ทธเจ้สอนละเอียดมีคนกราบทูลถามพระองค์ว่าจะจะต้องทํำยังไงถ้าบอกไม่ยุ่งเกี่ยวดีที่สุดถ้าจําเป็นแต่เป็นต้องยุ่งเกี่ยวดาแต่เป็นต้องเห็น จะเป็นต้องพูดพูดด้วยความมีสติพูดให้น้อยลงด้วยความมีสติตาวัตรวังการาที่จการทตาจำเป็นจริงๆอย่าไปอยู่สองต่สอสพงมุตเจ้าละเอียดละเอียดหมดคือต้องการให้มีพยานนั่นเองในงานไม่จะมป็นพยานพยานบุคคลผู้เจ้าป้องกันหมดแล้วผู้เจ้าก็บอกว่ า, ว า, วานี่คืออันตราย อันตรายอนนี้ถึงอันตรายของพรหมจันทร์ถ้าใช้ก็ว่าพรหมจันท์ไม่ใช่ต่อบคุคคลใดกูคนหนึ่งหลักการเป็นอย่างนี้แล้วทําไมเราไม่ชําระของพวกนี้ใค่เห็นตรงกันนำไปสู่การปฏิบัตินี่เราไม่ได้พูดถึงพระเจ้าเรื่อกฎเรื่องกติกาไมไ่พูดถึงพระเจ้ากฎพวกนี้พระเจ้า จะตั้งก็แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเป็นตั้งไม่เหมือนกฎหมายกฎหมายก็ซุ่มหวัวกันแล้วก็เขียนออกมานั่นคือกฎหมายถ้กากบขับใช้เห็นด้วยเห็นด้วยเป็นเรื่องห น, นึ่งจะเราพวกเราฟังว่าอนาคตนี่มันมันจะเป็นอย่างนี้อันนั้นเรื่องกัรเงนการางอย่างวัดเรามไม่ได้มีปัญหายยแล้วมันไม่ได้มีเงิน เ, อเยอะแยะมากมายขนาด น, นั้น คือไม่มีเป็นร้อยเป็นพันทราบข่าวว่าวัดในเชียงใหม่เริ่มมีเข้าการตรวจสอบแล้วอาจจะไม่เป็นทางการก็ลเลยไม่แน่ใจว่าที่ตรวจสอบนี้ตอนนี้ยังไม่มีตั้งใครเป็นทางการแต่คนที่มาตรวจสอบ เ, เอากฎหมายข้อไหนไปตรวจสอบเขา ไม่ใช่แค่สงสัยพระโอนั้นอนี้โอ้วัดนั้นวัดนี้คุณก็เข้ามาได้แต่มันเริ่มมีแล้วอันนี้คือสิ่งที่เรานัานา่นนาเป็นห่วงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่เล่ า, เ ล, าเล่ามานั่งหมดะกำลังเป็นรูปเป็นร่างแล้วจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเมื่อก่อนก็มีสลกพุทธ สารพูดเขาบอกไม่ได้เป็นเจ้านายพระมเราเป็นลูกน้องแต่ออกคําสั่งได้เขาไปลูกน้องแต่ออกคําสั่งคืออะไรเป็นภาษาอะไรภาษากฎหมายหรือภาษาอะไรคือผู้ไงแต่ไม่ใช่ผู้บังคบัญชาแต่สั่งการเรา่ามันคืออะไรมันก็แปลกๆมาเออตำรวจทหารเราพอเข้าใจได้เพราะเป็นผู้บังคบัญชาหรือหน่วยงานราชการอื่นๆเย่างนี้ มันเราเข้าใจได้ให้มันจะเริ่มปัดปวนพุงวาวกันหมดจนไปรู้อะไรเป็นอะไรแล้วก็ใครก็พูดไปได้ในพระระดับล่างนะก็ะไปพูดอย่างนี้ไม่ได้มันก็เป็นเรื่องการรังก็ฝากพวกเราทุกคนว่าในฐานะที่เป็นอุบาสกอุบาสิกา เพราะก็ใช้อวสศ ก, กสอวสุการนี่แหละเป็นพระพุทธเจา้าฝากเอาไว้ฝากคืหลักธรรมคำตังสอนไม่ใช่ไปฝากดูแลเรื่องบุคคลจะคุณไปฝากแล้วคุณไปตัณทีทีเตียนไปกลาวโจทย์โทษคนนั้นคนนี้คนโน้นสรุปก็คือพระสมัยก่อน ที่เราเคารพนับถือมีออกไหนบ้างที่จบประโยคเ้าท้าทำไมไปเคารพสถาท่านไม่มีอะไรเลยทำไมในสมัยพุทธกาลจะเดียวกันสิ่งี่พุทธเจ้าฝากไปสองเรื่องคือสมถะกรรมฐานกิจปัสสัทสมถะแค่นี้เอง ว่าจะไปทางไหนพวกไงก็จเจ้าดีทางไหนถ้าสมถะเขาไปทางปริยัติเพราะกับปฏิบัติไปด้วยไม่ใช่เรียนอย่างเดียวนะฝ่ายปรัชนาเนี่ยไม่ต้องรู้เยอะเข้าปางไปเลยอันนี้มาดูหลักสูตรของพวกเราที่เรียปริยัติตั้งแต่ ปอทอนหนึ่งสองถึงปอต้าเก้าเเรียนอะไรกันพู้เร า, า จ, จะไม่รู้ปอทอหนึ่งสองก็ผู้เรียนเรืเร่องวยายกรพร้อมกับแปลแปลนี่แพรทมาบทาบทำโมดจะเป็นอัรถกฐานไม่ใช่ไปใจไปดก อัตถกาถาประโยคสองประโยคสามก็เพิ่มเรียนเพิ่มอีกทำเอาเป็นแปดเล่มประโยคสองสี่เล่มประโยคสามสี่เล่มเป็นแปดเล่มซึ่งสมัยก่อนนะเขาเรียนเขาแปลปากเปล่ า, าสมัยก่อนในสมัยหลวงปู่ทองอินก็คือเรียนแปดเล่มเลยให้จําได้ไมาลูกเปิดหน้าไหนขึ้นมาก็มต้องแปลได้ คนต้งเขียนได้ในีัจจุบอนภาษาประโยคสีประโยคสี่ไ้เริ่มแต่งแต่งภาษาไทยอย่าวันนี้ไปตลาดภาษาปาลีไปอย่างงี้ประมาณนี้คุณชื่ออะไรประมาณนั้นคือประโยคสี่เบื้องต้นะเกี่ยคห้าประโยคหก็เช่นเดียวกันเลย ประโยคดเนี่ยเปนเรื่องการแต่งกลอนมันสุนอรพูดอะประมาณนี้แหละก็เปเประโยคแปดก็แปลวิสุทธิมักวิสุทธิมักเขายังไม่ใช่ประเทศไทยจบวิสุทธิมักเราเขียนทีหลังคนที่เรียนจรงจิงๆตอนนี้นคือประเทศพม่ามอญเขาจะแ ย, ยกคุยเรื่องศีลละเอียดเอียดมากก็คำภีร์วิสุทธิมัก ใช้ครัาว่าคำพีนก็คือตำราสุดที่นันส่วนประโยคเก้านี่รอยตัวแล้วแล้วแต่เอาทั้งหมดมแค่นี้กาเรียนประโยคหนึ่งสองถึงประโยคเก้าเนี่ยมันคืออะไรทำไมตั้งกระดาษนะส่วนในภาคปฏิบัติประโยคหนึ่งสองถึงประโยคเก้านี่มีหลักสูตรไหนที่ เป็นเรื่องของปฏิบัติภาคปฏิบัตินั่งสมาธิเดินจงกรมหรือกหมหนดอะไรก็แล้วแต่กรรมฐ า, านที่เป็นหลักสูตรจริงๆมันไม่เคยมีแล้วเราก็เรียนกันอย่างนี้ใช้กันหลักสูตรทามว่าดีไหมดีเพราะว่าให้ทำให้รู้จักพุทธพจน์คือภาษาบาลี แต่ในแท้าปฏิบัติอะมากสาธิแล้ว5ตี1 0เป็นี20เป็นีอาการเป็นยังไงหลังจาก20ทีเป็น30เป็นไงไม่มีถ้าจะปรับก็ต้องปรับตรง น, นี้คือบอกว่าต้องเข้าสู่ภาคปฏิบัติ พ้ปฏิบัติมันน้อยน้อยมากสุดท้ายก็เอาสิ่งที่เรียนมาทั้งหมดเป็นนกแก้วนกขุนทองแ้าหนักก็นั่นก็คือสิ่งที่นกแก้วนกขุนทองมาพารนาบางเรื่องมันไม่ใช่พุทธพจน์เลยบางเรื่องก็อาศัยความคิดของตัวเองใส่ลงไปเป็นศาสตร์ธรรมปฏิรูปเหมือนทุกวัน เช่นเขาบอกว่าไม่ต้องสมาธินั่งไปก็ตูดด้านเปล่ า, าไม่เกิดอะไรขึ้นใช้ปัญญาเลยก็ต้องมาถามว่ากลับมาที่เดิมมันพะพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ที่ไหนที่คุณเรียนมานะเอามาอ้างไหยตั้งแต่สมัยพุทธการอลไรมาไปตนมา ตรงไหนที่สอนด้วยอย่างนี้เนี่ยมันมรเริ่มไปผลิตปิคีย์ตอนนี้เขาเกิดศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อเคารพในตัวท่านองค์ใดองค์หนึ่งแล้วมันเกิดความเชื่อขึ้นมาคือศรัทธาต้องย้าว่าศรัทธานะไม่ใช่ปัญญาศนระัทธาเกิดจากอะไรเกิดจากสัญญา ยังไม่ใช่ปัญญานะทุกวันนี้นเราใช้สัญญาหรือว่าพูดสเสมอเราใช้สัญญาจนหลงตัวเองว่าเป็นปัญญาแม้แต่ผู้พูดเองก็เช่นเดียวกันทจริงพระเจ้าไม่ได้สอนเยอะไม่ได้สอนอะไรมากแต่พูดถึงคำว่ามารอย่างนี้เป็นต้นมารสองตอนก่อนนั้นมีคนอ่าน มันคำว่ามานอย่างเงี้ยเราเข้าใจควาว่ามารนันคืออะไรมานก็คืออุทิศค่าค่าแต่ ค, ค, ค่าความดีของคนนั้นคือไม่ให้มีความดีเกิดขึ้นมีสองอย่างคือกิเลสมานนั่นคือตํำรากิเลสสมานขันธ์มารบุกิตัวที่ฆ่าไมให้เราเกิดมีความดีคือขึ้นในชีวิตประจำวันกิเลสสมานคืออะไรก็ต้องไปอ่านเข้าใจ ขันธมานคืออะไรก็นั่งหรือไงนั่งหลาบหู ล, ลัตานั่งก็เพียวคาถาอยู่เนี้ยนี่คขันธมานเราเข้าใจผู้นี้ไหมเราได้เห็นผู้นี้ไหมไเห็นโทษเห็นภยัยกับผู้นี้ไหมนี่ว่าขันธมานพระเจ้าไม่ได้พูดจนจนเราไม่สามารถที่เข้าใจอะไรได้นี่มันไม่ใช่ ของที่มีอยู่เนี่ยอุปที่เราใช้อยู่คือ ย, ยืนเดินนังน่งนอนมานคันท่ามานคันทะาคือพวกกองกองกรูปกองเสียงกองเสียงกองผลิต ภ, ภัพฑ์ก็คือคันห้านี่แหละเราเข้าใจคันห้าของเรามากน้อยขนาดไหนเราเข้าใจคาว่ากายขนาดไหนเข้าใจคาว่าจิตขนาดไหนเราจะแยกออกอยังไง พอความไม่เข้าใจสึ่งเหล่านี้เราเข้าใจว่าเป็นเรื่องเดียวกันมันถึงกลายเป็นอย่างนี้หรถ้าเราไม่นั่งไม่มีทางที่จะแยกกว่าอะไรคือกายอะไรคือจิตมันมีโทษมันมีคนอย่างไรไม่มีทางะฉะนั้นข้อแรกในธรรมวิภาคคือ กว่าอาจารย์นนรียนสอนมาคือสติสัมปชัญญะเห็นไหมเราข้ามไปหมดเลยไปดูอะไรก็ไม่รู้โลกุตะละยานไปสนาญาณเก้าอะไรก็ไม่รู้เียสอนก็สอนสอ น, สอนกันมาแล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนไปตรวจสอบนั่นนี่นีน่นู่นเอสติเอาไปไว้ไหนอะไรไปตรจสอบสติมีน้อยสัมปชัญญะมันก็นรู้ตัวยิง่งหนักขึ้ไปอีก พราะนั้นการฝึกของเราจากนี้ไปเป็นต้นไปเนี่ยเราต้องทบทวนตัวเองมันไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรมันกันยินได้ฟังก็เช่นเดียวกันรูปเสียงจิตรบวรนี่คือจะเรียกว่าขันของเราที่ต้องศึกษาเรียนรู้ขันห้าวข้าศขันห้าแค่นี้เองอรูปการรูปหยาบ ร, รูปกลางรูปละเอียด ก็มีกนพยาบาลพยาบาอาีอธิบายเรื่องเรื่องรูปรูนานเอาฌานเป็นตัวหลักฌานมันละศาสตรเสียกาดห้านี้ไม่ได้นะฌานมีจังรูปรูปฌานและรูปประฌานซึ่งมันเปรูปรูปละเอียดมันไม่เกี่ยวรูปหยาบอันนี้ที่เราพูดดหมายถึงรูปหยาบอันนี้รูปที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่ไม่รูปในฝันอันนั้นมันรูปในฝัน บุรุษกายเป็นคนละนิสระทางคนละเรื่องคนละราววัะ น, นั้นถ้าจะปรับปรุงแก้ไขก็ต้องรีบเรืองแล้วก็คุยกันมาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเริ่มต้นจากถ้าจะเอากฎกติกาเอาศีลเป็นตัวจับพระพุทธเจ้าตัดอย่างไรที่ตัสหมายความว่าอย่างไรว่าจุดสงเพื่ออะไร